หรือยุกยาอะไรต่างๆที่เราใช้เป็นอาหารหรือใช้เป็นยารักษาโรคนีนั้นก็มีมันจัดไปให้ใคล้ายๆว่าอย่างนั้นน่ะเช่นหน่อไม้เนีย่ยหรือลำไม้ที่เอามาใช้เนี่ยถ้าเราดูมันดีๆเน่ยมันบอกเรา หน่อไม้หน่อไหนที่มันให้กินมันก็บอกหน่อไม้หน่อไหนที่มันไม่เป็นการสืบพันธุ์เป็นจับพันธุ์อะก็บอกคนโบราณสมัยก่อนถ้าไปหาหน่อไม้เนี่ยถ้าใครสับหน่อไม้นางดินเราก็ําในกันไปจับสัตว์ เช่นไปจับกบจับเขียดถ้าจับเอากบแม่ไข่อึ่งแม่ไข่มาเอาจาะตําหน่งกันก็ไม่จับเอาหรือเวลาไปจับกบจับเขียดจับอึ่งต้องไปโนอนเพราะให้มันผสมพันธุ์กันจะก่อนให้มันไข่จะก่อนถ้าจับเอาไข่แม่กบแค่อึ่งที่มีไข่มาไม่ค่อยมีไข่ พอใจต้องไปนอนเพราะมันผสมพันให้มันไข่ใช่ก่อนก่อนจะแสงเงินแสงทองขึ้นยังค่อยจับออกทุกวันนี่แถวแถบมึงเลยก็ยังไม่อยู่ไปจับอึองจับกบแม่ไข่มาเขาตำเนียกันเขาไม่กินเลยหรืออย่างว่านเนี่ยอย่างว่านที่ สวนว่านที่ปลูกไปเนี่ยมันเอาไว้ให้กินหนายก็เรว่าหนาย ม, นมันไปตามดินไปหักมากินได้ไม่ใช่ให้ขุดมันไม่ให้ขุดกินไม่หมดที่มันเป็นหนายเนี่ยมันไม่ให้กินอยู่ไม่ต้องไปขุดหัวมันเก็บมาเป็นผักก็ได้เป็นหยกเป็นยาก็ได้เป็นอาหารก็ได้ มันมีระเบียบอยู่บางอย่างถ้าเรารู้จักใช้รู้จักทว่ามีสินเราจะดูอะไรออกมันก็ไม่เป็นการเบียดเบียนอะไรลหลอกทุกอย่างเกิดขึ้นจากผู้ที่มีศินมันคงลืนกับธรรมชาติกับทุกสิ่งทุกอย่างผู้มีสินเนี่ย ไม่ใช่ไปพิเศษอะไรมันอยู่กับป่ากับตรงกับศัตรูหลายสิ่งได้ผู้มีสินนะใช้ชีวิตกับสิ่งใดอยู่กับผู้กัคนโดยที่ไม่กระทบกระเทือนศินนั้นเช่นป่าเนี่ยมันก็เพี้ยนไปแล้วเช่นหน่อไม้หักไปหักมาก็เพี้ยนไปแล้ว ขึ้นโครนเป็นขีตายไปมันสืบพันไม่ได้ป่าไม้ในวัดเราเนี่ยถูกไฟป่าถูกทำลายมากเกินนี้ก็ไม่มีเราป่ามีเถาวันขึ้นมันปรับตัวมันมันไม่รอดมันจะเป็นทะเลทสายถ้าเหลือต้นไม้ไปมันก็ไม่รอดแน่นอนพื้นดินเนมเื้นดินหรือบุก พงบุกดง บ, ก บ, ก บ, กบุกป่าถานดงถานป่าพวกย้าคาเข้ามารีบมาช่วยแผ่นดินเกิดขึ้นมาย้าคาป่าพงมายึดพื้นดินว่้พวกยญ้าต่างๆแต่ก่อนม่ยญ้าก็ไม่นิดเต็มไปหมดเลยมันมายึดพื้นที่ก็ก็อนมียา้าพง่ญ้า ยาคาเกิดขึ้นก็มียอาสาบเสือเกิดแทรกขึ้นมามันให้ทางญ้าสาบเสือถ้าญ้าสาบเสือเกิดแชรกป่ายาคาที่ใดป่ายาคาก็ดีกทางให้พตมียาคาเพราะมียอดสาบเสือเกิดขึ้นเมล็ดโป่หู เขาก็มาแซงกับยอดสับเสือขึ้นเมื่อโปงหูเกิดขึ้นยอาสับเสือก็แยกทางให้ต่อไปก็มีสดสาลายิ่งไม่กินเมล็ดโปงหูก็มีนกวอื่นมาจินก็มีต้นไม่อื่นเกิดขึ้นหรือมีไม้บางทิศมีปีกลูกไม้บางทิศมีปีกบินมามาตกในที่นั้นเกิดขึ้นใหม่ มันก็สร้างตัวขึ้นมาอย่างป่าว่าเราเนี่ยก็มีเถาวัลเต็มไปหมดต้นไม้ไม่มีแล้วมันก็คุมต้นไม้หมดเราคิดว่าจะช่วยต้นไม้คงไม่รอดคงช่วยไม่ไหวคงปล่อยให้เป็นไปตามชาติของเขาให้เขาปรับตัวของเขาอีกร้อยปีสามรอยปีพันปีมันจึงจะเกิดต้นไม้ขึ้นมาใหม่ เช่นไม่ชาติาตที่ไม่ไมเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าดนก็ตายกันหมดไม่มีใครตัดก็ตายลงแล้วลูกมันก็ไม่มีมีแต่ว่ามันมันไม่เพาะมันไม่เกิดมันไม่อก่ายบางประเภทต้องโดูแลรักษามีคุณประโยชน์เช่นข้าว ที่เรากินนี่ต้องรักษาต้องทนุถนอมแต่หญ้าไม่ได้รักษาไม่เกิดขึ้นมาเองเพราะเขาเป็นธรรมชาติแต่ข้าวที่มันกินได้นี่มีประโยชน์ต่อชีวิตของมนุษย์มนุษย์ต้องรักษาเดี๋ยวก็จะกลายพันธุ์ไปแล้วข้าวไม่มีความเป็นข้าวแล้วเป็นแป้งไปเลย รชาติก็ไม่มีมันจะเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบทุกสิ่ง ท, ทุกอย่างสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ม, มันเกิดจากคนที่ไม่มีศีลปฏิบัติธรรมมันกลมคืนกับธรรมชาติจริงๆไม่เบียดเบียนอะไรอยู่ที่ไหนก็สิ่งที่เป็น ประโยชน์ที่เป็นโทษดูได้ไม่เป็นดูแลรักษาเห็นต้นไม้มีไรทับนิดนหน่อยก็ช่วยเป็นก็จะช่วยเป็นเห็นหมดมาแรงตกในน้ำรออยู่ก็สงสารก็รีบช่วยขึ้นมาอะไรที่ทำให้เดือดร้อนดูได้ไม่เป็น ผู้ปฏิบัติธรรมนะเพราะฉะนั้นเราแท้ๆให้ไปเบียดเบียนกันทำไมชีวิตของคนโลาเนี่เป็นชีวิตที่น่าสงสารกว่าสิ่งอื่นและยังเบียดเบียนกันยังโกรธยังเครืองอย่างทะลอดว่ากันเลยมันจะมีประโยชน์อะไรผู้มีศีลไม่แต่ทนหมา ก, กลากไม้ไม่แต่ใบอะไรพืชต่างๆก็ยังช่วยคนโลที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดเลย มันต้องช่วยกันให้เกิดความช่วยกันในโลกนั้ขึ้นมาเยะเราช่วยต้นไม้ต้นไม้ก็ช่วยออื่นไม่ได้มาถ้าคนเนี่ยมีทำมีศิลแล้วมันจะช่วยอะไรได้เยอะจะเกิดขึ้นมาอีกคืนชีวิตขึ้นมาหรอไอยเม็ดดินเม็ดเห็นเม็ดซายปลาไม้แม่น้ำอากาศจะคืนมาถ้าคนไม่มีทมเราไม่รอดแท้โลกเนี่ย เราจึงมาการถือมาปฏิบัติธรรมกันนะให้ขอให้นับหนึ่งจากเราเนะี่ยมันมีจริงๆมันเห็นจริงๆนะมีสติเนะี่ยเห็นชีวิตของเราเนะี่ยเห็นรอบรอบนะสงสารตัวเองคนสงสารตัวเองเป็นก็สงสารคนอื่นเป็นช่วยตัวเองเป็นก็ช่วยผู้อื่นเป็นถ้าเป็นธรรมนะ ถ้าเกิดจากศีลจากธรรมเรามันดูได้ไม่เป็นสงสารตัวเองมันก็ไปสงสารคนอื่นเกิดมเมตตาคนนะุณนอะเต็มไปเลยหมดเลยถ้ามีศีลมีธรรมล้วไม่ใช่ว่าทอดทิ้งอะไรต่างๆผู้ปฏิบัติธรรมตรองนีเข้าดงเข้าปา่าไม่ใช่หนีเข้าดงเข้าปา่าเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะ ถูกตนสนตนเพื่อมาช่วยสรรพสิ่งต่างๆนะอันเราเนี่ยมีลูกมีเต้ามีคอบมีขัวมีผัวมีเมียมันน่าจะกระตือหรือล้นมันก็มีประโยชน์ได้จริงๆมีคนมีประโยชน์จริงๆริเกิดจากชีวิตของเราเนี่ยมีคำพูด มีมือห้านิ้วสิบนิ้วมีเลี้ยวมีแรงมีจิตใจที่คิดอะไรได้มันมาพร้อมกันมันหลงมีความไม่หลงมันทุกข์มีความไม่ทุกข์มันงอกงามจากความไม่ดีชีวิตเนี่ยเหมือนพืชเหมือนผักงอกงามจากปุ๋ยจากขี้จิ้งจกปกุก ชีวิตของ เ, เนี้ก็เหมือนกันองอกงามขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่ดีถ้าไม่มีทุกข์กพระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นหรอกเวลาเราปฏิบัติธรรมก็เห็นอย่างนี้ตรงกันข้ามพอดีเวลาเรามีสตินะไม่รลับไม่รีีเลยเห็นหลงเห็นทุกข์ข เ, หเห็นคิเลสัณหาเห็นเครื่องปุงเครื่องแต่ง ออกอากสิ่งที่มันไม่ดีให้มันงามขึ้นมาส ต, ติมมนจะมีงามในที่มันหลงอย่าไปคิดว่าผิดนะมันหลงนะเมือนมาผิดเอาเป็นถูกปฏิบัติธรรมนะนหัืนมาทุกข์เอาเป็นป้งองทุกข์อ น, นี่เหระชีวิตงอกขึ้นตรงนี้นะไม่ใช่ชีวิตที่เราดินดินไล่ตอนนี้มันชีวิตแบบนี้มนเกิดเจเจ็บตาย ที่เป็นรูปเป็นธรรมเนี่ยมันแจมันเจ็บมันตายมันไม่ทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนอย่าให้มันยิ่งใหญ่เกินไปอันยิ่งใหญ่คือมันไม่เป็นอะไรมีสติเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดใหญ่จริงๆความรู้จึกตัวภาวะที่เห็นจิงต่างที่มันเกิดขึ้นอกปากกับใจเราเนี่ยมีสติไปถ้ามันงามลงไป สติที่ได้จากสติปตัฏฐานไดจากกรรมฐานมันก็มีหลักแน่นอนอยู่มีกายเอาเป็นวัสถุ ป, ประกอบให้เกิดความรู้สึกตัวมี จ, จิตใจเป็นวัตถุประกอบให้เกิดความรู้สึกตัวมีตามีหูมีจมูกเปลนร่นมีกายเอามาใช้ให้มันเกิดคุณเกิดประโยชน์ ถ้าเราไม่ใช่แต่เราใช่ไม่เป็นก็เป็นทุกข์เป็นโทษนีก็อะไรก็เป็นโทษไปติดเล่าติดปุรีติดริงเฉ็บติดติดอะไรต่างๆวิจิตมีใจก็เบื่อเพื่อนพ่คูณเหมือนดินพ่อขางโหมรวมไว้ที่ใจไปสุทู์เฉียควมเป็นมนุษย์เฉียชาิไปเลยทั้งชาติเลยทีเดียวอั่นจึง ขอให้เอาชีวิตซะชีวิตจริงๆมันไม่เป็นอะไรมันเห็นสิ่งเหล่านี้แหละมันงอกงามขึ้นมาได้ความงามจากความหลงเป็นศาตร์เป็นศิลป์นรรนะไม่ใช่ศิลป์ที่ไปเขียนบทคกันสร้างเาร์ตูปศิลป์มันเป็นนามธรมรมศิละปะอันนั้นมันมาจากศิลนปะ์คือมันไม่ เป็นอะไรมันไม่ปรุงไม่แต่งมันปกติมันเกิดศิลปะการมีชีวิตขึ้นมาชีวิตเป็นปศิลปะเป็นศาสตร์ในความหลงมันมีศาสตร์เป็นศิลปะมันไม่หลงมันงามตรงนี้นะหลงจากกันอะไก็งามที่ตรงนั้นอย่าถือว่ามันผิดมันยุ่งมันยากมันจะยากอะไรเปลี่ยนลายเป็นดีเนี่ยมันเป็นความขยันเป็นความผ้าเพียน เป็นการกระตือรือร้นนะอย่างพระว่าที่ไม่เป็นอะไรเนี่ยมันเห็นไม่เป็นเนี่ยมันเป็นศาสตร์เป็นศีลมันเป็นความปานิษฐเป็นความอ่อนโยนป็นความสุขขุมรอบครอบเนี่ยก็ทบก็เถิดอันนี้เป็นศีลอย่างยิ่งนเลยจึงเป็นศีลเพื่อมักเพื่อผล สีเลนสุขติยงงัติสีเลโพกสัมปทาสีเลนนนี่พุงธิยัญติสินันนีนะมีพว้กรัพย์จริงจเกิดคุณนามความดีมดตินเม็ดหินเม็ดทรายป่าไมา้แม่นม้ำอากาศโพกสัมปทาต็นสมบัติของโลกขึ้นมาจากคู่มีสินไม่ใช่สีนไปอวดกันรับจา้าง ฉินรับจ้างศินเลยแมงบีแมงวัดหลบเขาอยู่ที่ไหนเอาให้มีศินเพื่ออวดเพื่อเอาไปรับจ้างหาลาบจักรกละศินมันต้องเป็นประโยชน์เป็นสุคติเกิดสุขพบกคนพี่ศิน ส่วนมากเราม่รู้สัาหลาสิยงเกิดความสุขไปไหนมาไหนเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันมีความดีเกิดขึ้นจากผู้มีศีลหลายอยา่างมีภพกทัพย์เกิดขึ้นจากผู้มีศีลหลายอยา่างสิ่งความดีเกิดขึ้นมาใช่เป็นส่วนตัวของผู้นอนของบุคคล น, นั้นเป็นสมบัติของโลกจากผู้มีศีล ไม่ใช่เป็นส่วนตัวเพราะนั้นเราจึงปฏิบัติธรรมกันเนี <c> ่ย <oughs> ไม่มีไม่มี อ, อื่นแน่นอนหรอกวิธีปฏิบัติธรรมไม่มีอย่างอื่นแน่นอนต้องเปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกแน่นอนตรงนี้แน่นอนใครจะสอนให้บินห้ยหอกไปก็ไปเถิดหัไม่บินไม่หอกไปจะดินจะเดินอยู่บนดินนี่แหละจะเหยียบดินอยู่นี่แหละ จะช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไ้มุดไปที่ไหนล้วไปในให้คนเห็นอยู่เนี่ยพูดก็พูดในคนได้ยินอยู่เนี่ยขอใช้ชีวิตแบบนี้อราจะดีวิเชียร์งไงก็ให้เขาดีไปมีฤทธิ์ที่ปฏิหารยังไงก็เอาไปฤทธิ์คือมันทำให้ความทุกข์หมดไปเนี่ยเราชอบฤทธิ์แบบนี้แล้วมันหลงเรามีฤทธิ์ที่ไม่หลงง่ายเด็ดขาด เดี๋ยวเวลามันทุกข์มีฤทธิ์มากเวลามันเจ็บมีฤทธิ์มากเวลามันแ่มีฤทธิ์มากมีแลวมันตายมีฤทธิ์ฤทธิ์ี่ทำให้เสียอเหล่านั้นไม่มีคุณไม่ค่าได้พ้นไปในความแ่มันก็มีความไม่แก่ในความเก็บมันก็มีความไม่เจ็บในความตายก็มีความไม่ตายในความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์นี่ฤทธิ์ ไม่ทุกเป็นทุกไม่ทุกเป็นไม่ทุกนี่ลทิอย่างนี้นี่ก็เหาะไปแล้วใช่ไหมไอ้ชีเหาะไปนม่มีประโยชน์เลยเหนืวก็มีนตกตายเป็นหมูตายบทลับอะไรก็มีนะฮะฤทธิมุดอยู่ในน้ำเลยให้คนเห็นอยู่เนี่ยนี่ินะมาเถอะความชั่วมาท่าัหง รับรองมไม่มีชั่วมาถึงก็เราเป็นของดีลอะไรียวแล้วได้ิงาะได้ความงามได้ความงามจากความไม่ดีจริงๆจๆเนอะต้นหัวลูกนะที่มันเห็นที่มันมีชีวิตที่มันพูดได้นี่มันเห็นมาแล้วเห็นหลงเห็นทุกเห็นกิเลเห็นทั้งน่ะเห็นลาค้ า, า<ะ>เห็นมาแล้ว มันจึงมาเป็นอย่างนี้มาบอกอย่างนี่ยมันมีนะคนในโลกเนี่ยจีที่เราหลงคนหนึ่งเขาไม่หลงจีที่เราทุกคนหนึ่งเขาไม่ทุกมีแล้วในโลกเนี่ยไม่ใช่ไม่มีอย่าไปมองอย่าไปดูถูกกันนะนะ่าอายนะล่าสมัยนะคนที่หลงที่ทุกเนี่ยนะ่าอายมากๆหลวงพ่อเทียนพูดว่า ถ้าจะให้โกรธให้กอย่า้แก้ผ้าอ้อมบ้านพ็าะเ้าแก้ผ้าอ้อมบ้านจะไม่อายเท่ากับไปหน้าบูดนะเพื่งอการเห็นไปดูไปด่ากันใช่ไหมออยไมเวลาโกรธนะหรือด้านไปเลยเลยวัาโทรมันดื้อด้านมากมายมันคิดก็หลงไปในความคิดด้านอยู่มันมีสติมันจะมันจะบานีชนะมันมาไม่ได้ ไม่มีสิ่งใดที่จะฉนาหลา ล, ลูกไปถูกสติรู้สึกตัวเหงืนมะเร็งมีกีม้มท่านั้นที่ปรามะเร็งด้งดีดจากกี้มไม่ ไ, ได้ได้ใครเป็นมะเร็งอย่าง้องตาเป็นมะเร็งนมีหมอหมอ้อขอปฏิเสธอย่างอื่น วิธีการรักษาเนี่ยให้จีโมูเท่านั้นให้จีโมูก็ไม่ค่อยได้ผลโหนึ่งหลวงพ่ออายุมากแก่มากน้ำหนักไม่มีเลือดก็ไม่มีไม่ค่อยได้ผลแต่ไม่มีพิธีอื่นใดจะให้หรือไม่ให้ไม่มีทางเลือกแล้วต้อให้ก็ต้องสิน ไปกลัวตายเลยฮไม่มีประโยชน์ไม่ค่อยได้ประโยชน์นั่นแหละทราบมาแล้วว่าโรคบางอยา่างรักษาหายโรคบางอยา่างรักษาไม่หายโรคจักแน่นอนตายไปเท่าไหร่แล้วไปกลัวทํามาเช่นไปเลยไม่กลัวตายสมัครตายงอบอกว่าไม่ไม่ได้ประโยชน์คือมันจะตายอยู่แล้วบอก ส, สมัครตายเช่นไปเลยเพราะนั่นนี่ ภาษาเราเรื่องาจเรื่องเก็บเรื่องตายมันเรื่องยิ่งใหญ่เลยครความยิ่งใหญ่คือไม่เป็นอะไรมันไม่เป็นอะไรมันเป็นศาสตรนศีลเป็นมันงอกงามไม่มีอะไรกระทบกระเทือนได้จากผู้มีศีลจากผู้มีสติแล้วเราจะเกิดมาเจ็มาเจ็บมาตายมาหลงมาสุขมาทุกข์อยู่นี้ทําไม มีสติลงไปเถอะตัวเราดูตัวตัว ด, ดูแลตัวเองดีดีปฏิบัติธรรมไม่มีใครเห็นเราเท่ากับตัวเราอยู่ในสถานที่สงบมักจะมองเห็นมักจะมีคำตอบตอปัญหาชีวิตได้ถ้าวุ่นวายอาจจะอาจจะมองมาค่อยเห็นนะจริงจัด อย่างนี้ขึ้นมาจึงมีสถานที่อย่างนี้ขึ้นมาพออยู่กันได้มีเพื่อนมีมิตรมีหมู่มีครูอาจารย์ไม่ใช่เราอยู่คนเดียวบอกว่าเธอะไม่บอกมาก็รู้แล้ว่หนึ่งเธอมีลูกต้องมีหลงแน่นอนถ้าไม่มีลูกจะไม่เห็นหลงจะเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นหลงเป็นกูดเป็นเล่าเป็นช่างเป็นผิดเป็นถูกอยู่นั่นแหละลูกเป็นอย่างนั้นถ้ามีลูกออกมาจะเห็นลุยๆไปเหยียบบนเนี่ยฤทธิ์ไตมันไปถ้ารู้จักตัวไตบนความหลงไตบนความทุกข์ไตบนความอรทุกข์่งทุกอย่างถ้ามีความรู้จักตัวถ้าไม่มีความรู้ตัวจะทับถมเราเนาะเหมืนเป็นอย่างนั้นจริง โลกจะทับถมถ้าคนไม่คุณรู้ตัวลูกก็อยู่ข้างล่างเราจุดสูงคนเจ้าว่าอะไรมนุษย์คยใจสูงสูงเห็นไม่เป็น่นเลยสูงนะมาอะไรก็จะเหยียบมันไปเลยเหมือนทําบาจักหมูนไปเหยียบหลงเหยียบล ง, เ ห, บลงเหยียบคมหลงลงไปสมน้าหน้าความหลงเหยียบความทุกหลงไป เหยียบความสุขลงไปเหยียบความผิดลงไปเหยียบความถูกเหยียบความยากเหยียบความไม่อย่างนี้ไหมปฏิบปธรรมนะไม่ใช่เป็นอย่างนี้ไหมหรือว่ายากแต่ขวงกันทาไม่ไหวไม่ไหวแบบนั้นไม่ใช่สติปัฏฐานแน่นอนสติปัฏฐานมันเหยียบได้จริงๆนะเห็นเนี่ยไม่เป็นเนี่ยไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับสติปัฏฐาน จะ ป, ป๊บตะโลข้มาทันทีใช้ได้ทันทีใช้ได้ทันทียิ่งมีฐานมีที่ตั้งใช้ได้แม่นยำนะมีวัตถุมีนมิตรอาศัยนั่นก็ใช้ได้ต้องหมายเชยพูงมีที่ตั้งมีแต่ชนะอย่างเดียว าปาดได้อย่างไราปาบตัวหลงเนี่ยตัวหลงเป็นข้าศึกที่มีกําลังมากโอดีกับความว่าที่รู้เป็นก็เป็นกำลังพลที่มีกําลังน้อยๆาปาบได้มากนะแลาลการไปเลยต้องได้หลักฐาน ด, ดีเห็นรูปเห็นนามเห็นธรรมชาติหลาการเรา กระทบกระเทือนไปหมดเลยเห็นกลมมาเที่ยงใยลูกเห็นควเป็นทุกข์ในลูกเห็นกลมมาใช้ตัวตนลูกยิ่งกระทบกระเทือนไปแลนะกระทบกระเทือนไปถึงความโกรธความโลภความหลงความทุกข์กิเลสตัณหาหาที่ตั้งไม่ได้นะมันมันบอกทางไปแล้วยังไม่ได้รู้มันเน้นหน้าไปแล้วมันเขาเล่นอะลรนะเก่งอะไรที่มัน ยิ่งไปไปชนแล้วมันล่มลงอะไรฮ ะ, ระก็ยิ่งไปมันยิ่งไปเขาตั้งไว้มันลมเป็นอย่างนั้นสิ น, น, นี้มีสิ่งนี้ก็มีสินี้ไม่มีสี่งนี้ม่มีไปถ้าสินี้มีสีนี้ซึ่งมีซึ่งไม่ถึงมีบางทีมันบอก เรียกว่ากำลังคนน้อยปราบค่าศึกษามากแม่นยำทุกเที่ยวทุกที่ไม่ใช่ตะ้เปตาปะคนปฏิบัติธรรมชัดเจนแม่นยำกับการใช้ชีวิตไม่มีความลังเลสงสัยในการปฏิบัติธรรมกมหลงไม่จริงเนี่ยกไม่หลงมันจริงอยู่น่น นี่คือสั จ, จะธรรมปามารัมมัฏฐสภาวธรรมบางคนผู้เห็นปามารมมัฏฐแล้วยังหลงอยู่ถือว่าไม่ใช่ปามารมมัฏฐนะโดยบอกว่าปฏิบัติธรรมกับที่นั่นที่นี่ได้รูปปรมมัฏฐแล้วได้อารมณ์ปาารัมมัฏฐแล้วไม่ใช่นะยังหลงอยู่ยังบุญถึ ง, เ ร, งเรื่องนั่นเรื่องนี้อยู่ไม่ใช่ ปรามัดเนค้มหลงไม่จริงโค้มไม่หลงไม่จริงโค้มหลงโค้มโกรธเป็นสมมติปัญญาโค้มไม่โกรธเป็นปรามัดสัจจะมันเปลี่ยนเขามันไปเองเอาไม่ได้คมขืนไม่ได้คมขืนตัวเองไม่ได้จะให้โกรธจะให้ทุกข์นี่มันเป็นไปไม่ได้เลยในชีวิตเนี่ยมันทุกข์เพื่อไม่ทุกข์แน่นอนมันเก็บเพื่อไม่เจ็บมันตายเพื่อไม่ตายอย่างนี้ปลามัด มันมีกับชีวิตของคนเป็นนี้ทําได้เดี๋ยวนี้ต่อมีบุญก็มีเดี๋ยวนี้ใจดีเดี๋ยวนี้อ่าเป็นนิพพานก็เย็นเดี๋ยวนี้ไม่มีพิษมีภัยไม่มีพิษมีภัยกับชีวิตที่มันมีอยู่วก็ไม่เที่ยงก็ไม่มีพิษก็เป็นทุกข์ไม่มีพิษก็ไม่ใช่ตัวตนไม่มีพิษมันได้ประโยชน์จากเจรนี้มันจึงเกิดมาเกิดผล มันมีเกิดมันจึงมีไม่เกิดมันมีแก่มันจึงมีไม่แก่มันมีเจ็บมันจึงมีไม่เจ็บมันมีตายจึงมีไม่ตายนี่คือมรรคคือผลมันมีกับชีวิตของคนเป็นๆที่ทำได้มันมีทุกข์มันจึงมีไม่ทุกข์มันมีหลงมันจึงมีไม่หลงคนตายแล้วเขาไม่รู้อะไรหรอกเรายังมีชีวยอยู่ต้องทำเถอะ ถ้ามีหลงเปลี่ยนไม่หลงเนี่ยทำได้อย่างนี้จึงจะได้เสวันได้นิพพานถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีทางนะเราจะจะยอมหรือแค่นี้เสียชาติกินข้าใช้ชีวิตมาถึงปานนี่เราจะแค่นี้เองอันความทุกข์มันเกิดจากความคิดเฉย มันไม่ยิ่งใหญ่อะไรอวิชชามันไม่ขี่ช่างขีมกมกา่าคือวาวาที่หลงอวิชานะมันม่ได้มีปืนมีมีดมีอะไรมาคุมขูบังคับมันเป็นความไม่รู้คือความหลงนี่เองวิชชาคือความรู้สึกตัวนี่เองก็ไม่ได้ซื้อประหามาที่ไหน พลิกมือขึ้นก็รููได้เนี่ยยกมือขึ้นก็ลู่ได้นะ่ยวางมือลงก็ลู่ได้นะมันจะลู่จริงๆมันมีจุดลูจริงๆมือของฉันอยู่หน้าตักคนจะบอกว่ามือของเราอยู่ข้างหลังไม่เชื่อเด็ดขาดเชื่อไห ม, <laughs> ไ, มไม่เชื่อเลยนะนี่มืออยู่นี่เอามือวางไว้มันยกมือเอามือตั้งไว้มันเขา่ามันก็ลู่อยู่เนี่ย นี่ค okay. ah ือส่งร uh uh uh uh uh uh uh uh uh ู้สึกตัววิชาเละนี่วิชาเขาจะมาบอกว่ามือไม่อยู่ที่นี่นั้นเป็นเรื่องของเราเห็นเองเป็นผู้ปฏิบัติต้องเห็นเองมาทำด้วยตนเองตาขาตัวพระกวตาธรรมพระธรรมมันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วดีจริงๆจะให้หลงเป็นเราไม่จะให้ทุกข์เป็นทุกข์มันไม่ใช่แบบนั้ ใน <c oughs> ทุกมันไม่ควมม่ำในทุกพระพุทธเจ้าตัดไปอย่างนี้ในความหลงไม่คว่ำไม่หลงพระพุทธเจ้าตัดไปอย่างนี้ถ้าไม่ทําแต่นี้ไม่ถูกต้องเรียกว่าตละมัถะทัศนจริงอย่างนี้ในรูปในนามตรรมชาติของรูปธรรมชาติของนาม อาการของรูปอาการของนามเป็นอุปกรณ์ไม่เกิดแหล่งปัญญาเป็นสูตรเป็นพระวินัยเป็นพระอริธรรมเป็นพระสูตรในรูปในนามนี่สิ่งที่เป็นระเบียบก็อยู่ที่นี่สิ่งที่ไม่เป็นระเบียบก็อยู่ที่นี่ จิตที่เป็นทุกข์เป็นโทษมีมีหมูดมีหมูงดมห ม, ด ม, ด ม, ดมดูมันคืออะไรอกุศลผู้ปฏิบัติทั้งปัตมเพียรมีความเพียรเพื่อละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นอีกเพื่อมให้กุศลอกุศลเกิดขึ้นอีกต่อไปอกุศลคือความหลงลบปฏิบัติทําในชนไปเข้าไปเลย เรี่ว่าความเพียรแล้วเปลี่ยนหลงไปไม่หลงงั้นแหละผู้ปฏิบัติธรรมถ้าเปลี่ยนหลงไปไปหลงมันก็เกิดก่อนหนึ่งแค่ความหลงที่เคยหลงมาบ้องกันความหลงที่จะเกิดขึ้นอีกมาพร้อมกันเลยก็ด้มีสตินะสร้างกุศลให้เกิดขึ้น กุศลอื่นที่ยังไม่เกิดสร้างให้เกิดขึ้นมาสิ่งกุศลอื่นที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เจริญมากขึ้นมันเป็นอย่างนี้จริงๆผู้ปฏิบัติธรรมวินาทีนี่ห ล, ล, ล, ล, ล, ลงวินาทีนี่รู้มันก็รู้แล้วแล้วรู้วินาทีนี้ก็รู้วินาทีนี่ถ้าไม่รู้วินาทีนี้วินาทีนี้ก็ไม่รู้วินาทีนี้ก็ไม่รู้ล้วก็ไม่ใช่ปฏิบัติธรรม แต่ลละโกศล์สร้างโกศนไม่เป็นแบบนั้นละโกศน์เคยรู้เดี๋ยวนี้เนี่ยละกโกศลสร้างโกศน์เคยรู้เดี๋ยวนี้ไปเรื่อยๆรืๆเยๆไม่ใช่มากมายมันอยู่ในชีวิตของเรานี่เองโกศน์เราโกศนโกศนคือคือถูกเราโกศนคือผิดก็หลงมันไม่ถูกก็ไม่หลงมันถูก ความทุกไม่ถูกความไม่ทุกมันถู ก, มม ก, ถกเห็นจริงๆรไมหมเนี่ยเนมเราจะเอาผิดได้ย่างไนชีวิตอย่างนี้ชีวิตดนะีบจ <c oughs> ิ้ได้มันไดจากความถูก <c oughs> เรียกว่าวิชามันไม่ได้จากความผิดต่ <c oughs> อวิชานะ <c oughs> เหมือนพระเจ้าต่อสรูุแล้วมามาใน โธที่บันลังมาพิจารณาปฏิจจะสมุปบาทมันมาอย่างไงจึงมาเป็นอย่างนี้ขึ้นมาก็ไล่มาจึงนี้มีจึนี้จึงมีจนี้จึงมีจึงนี้จึงมีทำยังไงก็เป็นอย่างนี้เมื่อจึนี้ไม่มีจนี้ไม่มีจึงนี้ไม่มีจึงนี้ไม่มีที่เกิดที่กลับมาที่ดับหาหละหาทางเกิดไมาเจอแน่นอนที่จุดเลย มันไปมันไปแล้วมันกลับมาอันไปอันกลับมันเกิดดันดับสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอย่างที่เราสวดพระสูตรโยธรรมังปัจติโสธรรมังปัจติผู้ใด้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นว่าพระพุทธเจ้าโยธรรมังปัจิโสโสปฏิจจสมุปปะ ยกธรรมปรัจจติโสปฏิจัตสปะมังฮ่าฮาโกรรมจติโสปฏิจัตสูปะทางปัจจติผู้ใดเห็นธรรมผู้นัเน้เห็นปะติจจจมุภบาทผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจา้ามันก็อันนี้นี่เลยไม่ใช่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนบ า, าทีไปกราบพระพุทธเจา้ายังเห็นเห็นพระอยู่เนี่ยังมงัวรู้มไปกราบพระพุทธเจา้า เหมือนพเจ้าเป็นตัวประตนตนั่งอยู่โน้นนี่นี่ไพุทธภาวะที่รู้ที่ตื่นเกิดกับชีวิตล่านีน้มีอยู่ทุกคนทุกแห่งเห็นอะไรเห็นเป็นพระเจ้าเห็นธรรมตัวนี้ไม่ใช่เห็นรูปเป็นนิมิตแล้วก็อันนี้นะเขียนเป็นรูปแล้วก็เรียกว่านิมิต นี่ิตไม่ใช่ของจริงจริงที่สุดคือเนี่ยพุทธภาวะที่รู้ตื่นเบิกบานเป็นศาสตร์เป็นชินกับชีวิตเราเนี่ยไม่มีอะไรปิดบังํำพางได้เลยภาวะที่รู้ตื่นเบิกบานในชีวิตของเราเอาไหมพวกเร <laughs> าฮะฮะแล้วก็ันเจเวลากราบพระพื่องกัน สัมม า, าสัมพุทธ佛กวาคูถะ